ก็มีความสนใจมากในเรื่องในเรื่องอินรียะสังวรนะโดยเฉพาะท่านกล่าวไว้ว่าศีลไม่ว่าจะเป็นวิรัตศีลประเภทเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลนี่นะจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ถ้าไม่ไมีอินสียะสังวรท่านกล่าวไว้ชัดเจนผมจึงมีความสนใจว่าอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอินรียะสังวรเนี่ย ผมจะสังวรยังไงครับอินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับนะสังวรยังไงครับรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยากสักหน่อยในเรื่องเจ <c oughs> ในเรื่องเจตนาเป็นศีล น, นั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ <c oughs> เจตสิกเป็นศีลก็พอเข้าใจครับสังวรเป็นศีลเนี่ยซึ่งมีอินทรีย์ญสังวร ยังนึกไม่ค่อยออกว่าจะสังวรยังไงดีครับคงจะต้องต้องมีข้อมูลเยอะจึงจะสังวรได้ไม่ทราบท่านอาจารย์จะจะแนะนำไหมสนั้นงงถ้าไม่เจริญสมถะควบคู่จะไม่ไม่สามารถที่จะทำให้บริบูรณ์ได้โดยง่ายนะเพราะว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเฉพาะตัวมันอินทรีย์เนี่ยผู้ที่จะทำให้บริบูรณ์ก็คือผู้ที่เจริญสมถะนั่นเอง ถ้าหากว่าอยู่ธรรมดาแล้วผู้ที่รับอารมณ์ค่อนข้างวิจิตเนี่ยมันทำยากที่มันยากเนี่ยนะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะอุเบกขานิมิตเนี่ยเราไม่ค่อยได้พิจารณาเลยในในอารมณ์แต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์นะจะต้องได้รับการแพ่งทั้งหมดเลยเห็นไหมสงเคราะห์โดยสุภานิมิตในอารมณ์เดียวนั้นให้ได้สงเคราะห์ปฏิฆานิมิต สองเคราะห์อุเบกขานิมิตสองเคราะห์ศีลในมิตเนี่ยนะนะสองเคราะห์กุศลอกุศลทั้งหมดเลยนะทั้งกรรมบด ท, ทั้งไม่ใช่กรรมบทในอารมณ์อารมณ์เดียวนั่นแหละจนคล่องเพราะผู้ที่รับอารมณ์ข้อนวิจิตเนี่ยที่จะมาไข้ครัวให้มันละเอียดนี่ค่อนข้างยากมันก็เหมือนกับรับงานมาเยอะๆเสร็จแล้วทำไม่เสร็จสักอย่างเฉะนั้นอารมณ์ที่เราไปรับรู้ที่หลากหลายก็ลักษณะเดียวกันเะฉะนั้นการรับรู้อารมณ์มากๆ ปัญญาที่จะได้ไข้ครวนในแต่ละอารมณ์นั้นนี่ค่อนข้างน้อยเมื่อค่อนข้างน้อยเนี่ยจิตของเราเนี่ยวิถีจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันสะสมสันดานด้วยตัวสะสมนิสัยอพอเราไม่มีเรื่องอื่นปะไออุปนิสัยที่เราไม่เคลียมจะเข้ามาหมดเลยทุกๆอารมณ์เลยนะที่เราไปเห็นไปได้ยินไปรู้กลิ่นทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าในทวารใจก็ตาม ถ้าอารมณ์นั้นๆเราไม่ได้ใคร์ครวนไม่ได้พิจารณาเนะอารมณ์นั้นจะเข้ามาหมดเลย น, นะพอได้เวลาเขาจะเข้ามาเลยว่างไม่ได้ว่างพวกนี้จะเข้ามาจะเข้ามาจะเข้ามามันก็เหมือนกับคำนวนคอมพิวเตอร์ก็บอกว่าเปิดไว้เป็นร้ยอยรอยไฟล์อะเสร็จแล้วไม่ลืมปิดอ่ะมันเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็โผล่มาก็กดปิดไปเรื่อยปิดปิดปิดปิดปิดทีนี้ผิดปิดจะต้องถูกสูดถ้าผิดสูตรอีกมันก็เพิ่มไฟล์ใหม่เข้าอีก ในแต่ละอารมณ์ที่เข้ามาก็จะลักษณะเดียวกันดงนั้นหมู่สัตว์นี้จึงรกชัดเหมือนกับที่พระพุทธพจน์ว่าจริงๆเพราะเรารับอารมณ์มาวิจิตพิสดารมากเสร็จแล้วไอ้จิตอันนี้ไปเป็นอุปนิสัยให้ความคิดใหม่ความคิดก่อนมาเป็นอุปนิสัยให้ความคิดใหม่รับรู้อารมณ์ใหม่เข้าไปอีกไอ้ของเก่าก็หมกหมมเข้ามาเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกอ ก, ก็จะอยู่ลักษณะนี้มันรกชัดเป็นทั้งกรรมเป็นทั้งกิเลสสะสมอยู่นั่นแหละ เป็นอยู่อย่างนี้อยู่มากมายมหาศาลนั้นปัญหาของสัตว์นี่มันแก้ยากมากวิจิตพิสดารจริงๆเลยนะแล้วเป็นนา ม, มาทำด้วยอันะเอามาตั้งแล้วค่อยๆแก่นะถ้ามันเป็นเล็กๆครับเหมือนกับเอาเข็มมานั่งแกะนั่งนั่งไล่ทีละเม็ดทีละเม็ดอันนั้นยังพอแก้ได้อันนี้เป็นความคิดหมดเลยเพลว่าเดี๋ยวเอาไปถึงไหนแล้วก่อนแล้วเอาเอามาอีกฉนันผู้ที่จะสังวรได้ คนนั้นเนี่ยจะต้องแม่นข้อมูลพอสมควรจําธรรมะค่อนข้างแม่นแล้วตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นในทุกๆความคิดนะเหมือนเหมือนกันนิ่งอ่ะสมมตินิ่งอยู่เออเราจะเฉยๆแล้วนะใช้อย่างงเนี้ยนิ่งแบบนี้เนี่ยเอาสาธกสี่มาจับเลยสัมปชัญญะสี่มาจับเลยนึกถึงอารมณ์มาวัดหนึ่งอารมณ์ปั๊บเนี่ยเอาธรรมะมาจับเลยมันทีนี้เรามันจะมีเวลาว่างมานั่ง ปารบธรมะอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมงานอย่างอื่นเข้ามาเป็นอารามนาที่ปฏิปัจกกปาาาปจัยมากกว่าเป็นสหชาตาที่ปฏิปัจจัยมากกว่ามันก็หมักหมมความคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยเพราะฉะนั้นจึงเพศคารว่าที่จะประพฤติให้บริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายทีนี้คือที่กล้าย่างงี้กํกลาลังนึกว่าเออเราสมณะเองก็ยังยังไม่ง่ายเลยอ่ะนะ <c oughs> คือคือถ้าจะเอาในชั้นละเอียดเอาบริสุทธิ์แบบตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่อย่างน้อยที่สุดนะจำคาสอนแม่นจําคําสอนได้แล้วใส่คําสอนไปในทุกอารมณ์นะใส่สิกขาสามลงในทุกอารมณ์ให้ได้ถ้าสงเคราะห์สิกขาสามลงในทุกอารมณ์ไม่ได้ยังไงก็แก Maya ่ไม่ได้ก็ผมเข้าใจนี้ถูกไหมครับคือมาก็ว่า เรื่องอินทรียสังวรเนี่ยนะเรื่องอินทรียสังวรเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าไออุปนิสัยเก่าๆที่สะสมมาเนี่ยมันมีทิพนมากเหลือเกินถ้าสมมุติว่าผู้ที่ไม่ได้สดับแล้วก็เป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับนั้นเนี่ยแล้วก็หมกมุ่นชีวิตกับอกุศลไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าบางคนนะก็หมกมุน่นไปในเรื่องสมมติว่า แล้วที่สุดเช่นการพนันเพราะฉะนั้นนี่นะในชีวิตประจําวันนี่นะครับถ้ามีอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเห่ไปในเรื่องการพนันอยู่เรื่อยใช่ไหมครับนี่หมายความว่านี่ยกตัวอย่างอักุศนกรรมเพียงอย่างเดียวนะบางคนอาจจะหนักไปในเรื่องกอล์ฟบางคนอาจจะอาจจะหนักไปในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็ไอเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยสังวรยากใช่ไหมครับพอหนักๆเข้าเนี่ยนะ ถ้าไม่มีพวกที่ไฟนะอุทจจะเล่นแทนถ้าเราไม่มีอะไรเป็นอารมณนาที่ปฏิเลยนะในกลางทั้งหลายเนี่ยอุทจจะจะเข้ามาแทนคิดเรื่อง ย, ย, ยุ่มยุ่มยิ้มเรื่องไม่เป็นตาคิดก็เอามาคิดหมดละมันสำนวนเรก ว, วิจยัยฝนะุ่นเห็นคนเขาทําสีหน้าอย่างนั้นเรายังเอามาคิดเลยคิดทําอะไรก็ยังไม่รู้เลยคือมันลักษณะเข้ากระเดียบไปในอุทจจะแทนมันจะเริ่มฟุ้งไปรับอารมณ์นั้นอนี้อารมณ์นิด อันนี้หน่อยอันนั้นหน่อยอันนี้นิดอันนี้เนี่ยคิดเป็นเรื่องก็ไม่เป็นจะเอาให้สงบก็ไม่สงบมันก็ไปเรื่อยลักษณะเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีเรื่องอะไรหนักหนั ก, นกจะอุทธจจะเข้ามาแทนถ้าตรงเงินข้ามนะครับถ้าเราหมกบุนไปในเรื่องกุศลนี่ครับนี่ก็เป็นอุปนิสัยอุปนิสยปัจจัยฝ่ายดีใช่ไหมครับเช่นถ้าหาว่าผู้ใดฝักฝ่ายในกุศลในชีวิตมากๆการที่จะมีอินสียสังวรไม่หยางนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล เป็นญกุศลใช่เป็นพื้นฐานใช่ไหมฮะใช่แต่ทีนี้ในในการเจริญกุศลนั้นเน่ยผู้ที่อินทรีย์อ่อนเนี่ยนะมันจะไม่สามารถเจริญกุศลได้อย่างต่อเ น, นื่องศรัท ธ, ธามันก็เป็นศรัท ธ, ธาที่มีขีดจํากัดกุศลจิตเนี่ยมีขีดจํากัดเหมือนกับสมาธิในการอ่านหนังสือไม่รู้ว่าชั้นอ่านได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะเกินกว่านั้นนั่งฟุ้งอย่างเดียวอะบางบางคนเนี่ยขีดความสามารถในการเจริญกุศลเขาเท่านั้นเอง อันนะั้นหลายท่านที่สามารถเจริญกุศลได้นั้นส่วนหนึ่งเนี่ยกาลยานามิตรเนี่ยช่วยไว้นะระบบพาไปนะั่นนะพวกทั้งระบบทั้งกาลยานามิตรทั้งเพื่อนฝูงเขาตรึกธรรมะเยอะเขาพูดธรรมะมากเอ๊เขามีความสุขกับกุศลธรรมเราเอามัง่งแต่ถ้าหากว่าโดยสังขาริกด้วยตัวเองเลยนะ่นนะค่อนข้างยากมากนั่นนะเท่าที่ ที่สังเกตในในกลุ่มที่ศึกษาพระธรรมร่วมกันหลายๆปีเนี่ยหลายหลายท่านพอหลีกเลนไปคนเดียวเมื่อไรกลับมาเนี่ยไม่มีใครหน้ายิ้มแย้ ม, ยมกลับมาทักคนเนี่ยนะโอ้ยผมมีความสุขเหลือเกินไปตรึกพรธรรมไปเจริญกรรมฐานสงบมากไม่นีมีแต่โอ้ยผม เ, ยเครียดจริงๆเลยว่าทุกข์เหลือเกินนะ คือไอ้ที่อยู่ในหมู่คณะบางทีกุศลเจริญนึกว่าโอหเราไปอยู่คนเดียวคงได้อะที่นายได้ระบบมันพาไปนะที่จริงระบบอุ้มไหมการตรึกพระธรรมหลายๆอย่างก็เหมือนกันดงั้นคนที่ไม่ใช่อสังขารจริงๆเนี่ยนะที่ว่าเอ้ศรัทธาไม่เกิดทํำยังไงให้เกิดเนี่ยนะคนลักษณะนี้ใช้เรี่ยวแรงค่อนข้างสูงมากเหมือนกับหัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะค่อนข้างจะหาน้อยมากที่จะสามารถชักชวนให้คนเป็นกุศลได้เนี่ยหายากมาก สา ม, มารถที่จะปะล้าวปลอมเมื่อเขามีใจฮึกเหิมเกินไปเนี่ยนะก็สา ม, มารถที่จะข่มเขาอยู่เมื่อเขาท้อแท้ก็สา ม, มารถที่จะสนับสนุนให้ความคิดที่เป็นกุศลเขาเกิดขึ้นได้งนั้นกาลยานามิตรเนี่ยจึงจึงมีความสําคัญค่อนข้า ง, งมากสังเกตในในพระวินัยเนี่ยพระวินัยปิฎกกล่าวถึงอาจารยวัดอุปชายวัดเนี่ยนะ เป็นหน้าที่ของอุปช า, าจารย์ที่จะต้องคอยให้กําลังใจคอยปลอบคอยช่วยเหลือรับรับภา ร, ระด้านนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดผู้สา ม, มารถเนี่ยหปีอยู่กับอาจารย์ น, นะเรียกว่าได้รับการฟูมฟักมาอย่างดีเลยห้าปีจนเรียกว่าได้รับความอบอุ่นอย่างดีสา ม, มารถที่จะไปเกื้อกูลคนต่อๆไปได้แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาส่วนหนึ่งทั่วไปแล้วข้อมูลก็ไม่พ อ, อ น, นะะ แล้ววิธีคิดให้เป็นกุศลเนี่ยนะเรียกว่าโยนิโสหรือฉลาดคิดไม่ค่อยมีนะเมื่อไม่ค่อยมีแป๊บก็ลำบากละที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วสามารถเจริญกุศลธรรมเนี่ยยากยกตัวอย่างเช่นบางบางแห่งเนี่ยนะถ้ามีการร่วมศึกษาธรรมะการเนี่ยโอ้โหคนโน้นก็ค น, น, ค, นคนนี้ก็อ่านคนนั้นก็คว้ า, วาโอ้โดูอ่านตำรับตำราสนธนาครรมกันจริงๆเลยพอบอกว่ากิจกรรมหมดเท่านั้ น, นหายับหมด เงียบหมดเลยหนังสือพลิกหน้าเดียวยังไม่ได้พลิกเลยอ่ะนะไม่มีความตื่นตัวแล้วเท่าที่ที่ศึกษามาเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะแค่ว่าจะดึงระบบให้ให้ไปเข้าร่างเข้ารอยอยังยากเลยจะกล่าวไปยายถึงการทําจิตให้เป็นกุศลได้อย่างต่อเ น, นื่นองอ่เพราะเท่าที่สังเกตดูในในกลุ่มด้วยเพื่อนๆกันเนี่ยนะประมาณ 4-5 หกลุ่มแล้วคนที่สามารถอยู่คนเดียวแล้วคิดเป็นกุศลหายากมาก เพื่อนแบบนี้เรายังนึกไม่ค่อยออกเลยคนไหนทําได้บ้าง <c oughs> เนะี่ยที่อยู่คนเดียวเลยนึกจิตเป็นกุศลส่วนใหญ่ยอยู่คนเดียวก็นึกไปเรื่อยนะจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งก็ไปแล้วไม่มีธรรมะซ่าข้อเลยอยู่ในนั้นนะ่ะที่คิดคิดไปนั่นนะ่ะปัญหาก็เกิดจากความรู้ในในทุกๆอารมณ์ไม่พออันนะั้ความรู้ในพระธรรมไม่พอ แล้วที่จะเอาพระธรรมเนี่ยไปใส่ในทุกๆอารมณ์ไม่ได้เพราะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่สมาธิจิตค่อนข้างดีเนี่ยน ะ, ะหนึ่งอารมณ์ที่โผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งเนี่ยหนึ่งความคิดเขาจะได้เอาธรรมะเนี่ยนะสงเคราะห์ลงในอารมณ์นั้นทั้งหมดว่าอารมณ์นั้นคืออะไรเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นวิตกกะที่เราตรึกถึงอารมณ์นั้นก่อนวิตกะทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากปัจจัยอะไร แล้วอารมณ์อ น, นั้นดีอย่างไงทําไมเราจึงคิดถึงเนีย่ยนะจะได้รับการวิจัยทั้งหมดโดยเหตุผลธรรมดาก่อนเสร็จแล้วก็ดึงพระธรรมลงไปในพระในในอารมณ์เหล่านั้นนึกแล้วเป็นกุศลศีลไหมเป็นไปกับทานไหมเป็นไปกับสมถะไหมนะแล้วก็เป็นไปกับวิปัสสนาไหมจะต้องเอาไปวิจัยส่งเคราะห์ทั้งหมดทุกๆอารมณ์นั้นนั่นแหละจึงจะได้ แล้วก็ต้องฝึกอย่างนี้เป็ น, ปนอาจินด้วยนะฝึกจนชำนาญ น, นะจนคล่องที่สุดเลยว่าพออะไรมาวัดปั๊บตรึกเป็นธรรมะได้หมดเลยเนี่ยนะสามารถพิจารณาธรรมะลงไปในนั้นแล้วอาศัยพื้นฐานเรื่องเนี้ยไปคิดเรื่องอื่นต่อไปอีกได้ต้องฝึกให้ชำนาญจริงๆเสร็จแล้วเรามาเห็นอย่างหนึ่งที่ที่พระผู้มีพระภาคกล่าวว่าหมู่สัตว์เนี่ยรกชัดมากอะ่ะพอรับอารมณ์มาก็เพลินไปในอารมณ์สะสม นะเป็นทั้งกรรมเป็นทั้งกิเลสใหม่อุปนิสัยก็จะเป็นในลักษณะนี้ลักษณะนี้มากๆว่าโอ้หมูสัตว์นี้รกชัดจริงๆแล้วทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเนี่ยไม่ได้เกื้อกูลต่อต่อกุศลลจิตเหล่านั้นเลยและอีกอย่างหนึ่งอินทรีย์เขาอ่อนจริงๆสัตว์ทินทรีย์เนี่ยนะที่มีศรัทธาในพระรัตนะตรายเขาก็อ่อนอ่อนจะไม่รู้จะอ่อนอยังไงเนี่ยนะวิริยินทรีย์เนี่ยแทบไม่เกิดเลยอะ่ะ นเพียรที่จะกําจัดอกุศลนนแทบไม่มีในความรู้สึกเลยเพราะอกุศลเกิดขึ้นเขาพอใจไอ้ที่จะไปลาวว่า น, นี้บาปนะเขาไม่รู้สึกเลยเออบาปนะเออดีนะก็คุยกันบ า, บาปนี่แหละเป็นโจ๊กคุยกันต่อไปบาปต่ออีกนั่นแหละไม่ได้มีความเพียรพยายามอะไรเลยแล้วอกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นเขาไม่คํานึงถึงทุกโทษภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเลยอันนี้แสดงว่าสติเขาอ่อนมากแล้วฟุง้ง ฟุ้งบ่อยมากเหมือนกับฝุ่นหน้าร้อนนั่นแหละแล้วก็ปัญญาที่จะกรรมสกตาเป็นต้นในอารมณ์นั้นๆก็อ่อนอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมก็อ่อนมันมันก็มีอยู่วิธีเดียวก็คือฟังทาให้เป็นอจินตกรรมไปก่อนคือเอาคเอาชั่วโมงเขาว่าสะสมอย่างเดียวนะให้มีอุปนิสัยความคิดแนวนี้ให้บ่อยๆมากๆก่อนเอาไปคิดเองไม่ได้ส่วนใหญ่ที่รู้จักเนี่ย เอาไปคิดเองไม่ได้สะสมข้อมูลไว้ห้าปีธรรมะบางอย่างจึงจะเอามาคิดได้ยกตัวอย่างสมัยแรกๆเลยเมื่อพรรษาสองพรรษาสาเนี่ยนะเอามหาสติปัฐานเนี่ยไปอ่านอ่านวันละครั้งวันละครั้งอ่านออกเสียงเนี่ยนะอ่านบ่อยๆธรรมะคำว่าสติปัฐานสูตรเพิ่งเอามาตรึกไม่นานนี้เองเนี่ยนะพระสูตรที่เราเคยอ่านติดใจไว้เมื่อห้าปีหกปีที่แล้วเพิ่งเก็บเอามาคิด บอกหูปัญญาเราช้าขนาดนั้นเลยเหรอห้าปีจึงเอาธรรมะหมวดนั้นมาตรึกได้แรกๆยังไงก็ตรึกไม่ได้เอามาคิดเมื่อไหร่ก็ฟุ้งละเอามาคิดเมื่อไหร่ก็ฟุ้งละฉันให้ชำนาญให้คล่องแคล่วในเรื่องนั้นจริงๆจึงจะเอาธรรมะหมวดนั้นนั้นม า, ม า, ม, ามาตรึกมาพิจารณาได้ฉันการศึกษาพระธรรมเนี่ยในช่วงปีสองปีสาปีแรกเนี่ยอย่าหวังอะไรมากนะ เพียงแต่ว่าทําอย่างไรให้ชวนาจิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อคิดเรื่องราวเหล่านี้นะเป็นไปกับเรื่องนี้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ปัญญายังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรยานวิปยุทธ์ก่อนก็ไม่เป็นไรขอให้สะสมข้อมูลที่ถูกต้องไว้ก่อนนะขอให้เป็นข้อมูลที่มาตรฐานเนี่ยข้อมูลจะชนกันเองเสร็จแล้วความคิดเราจะเริ่มแตกตัวลว้นะพอเริ่มแตกตัวปั๊บเราจะมีความเพี้ยนโดยโดยอัธยาศัยคือเพราะเราเห็นประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์ว่าเออถ้าปล่อยจิตอย่างนี้เนี่ยเราเป็นบาปนะเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วสามารถที่จะปรุงแต่งหาปัใจจัยให้จิตเป็นกุศลได้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยสามารถปรุงให้เป็นกุศลได้นะสามารถวิจัยให้เป็นกุศลได้พวกเหานั้นต้องสะสมข้อมูลค่อนข้างมากจริงๆถ้ายุคนี้นะถ้ายุก่อนมันเป็นเหมือนกับไม้กรีดในหินเะน่ยเขาสามารถทรงจําพระธรรมได้แบบนั้น คนถ้าอายุต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยเหมือนไม้กรีดไปในน้ำวับหนึ่งหมดเลยก็คือกรีดนี่ไม่ใช่เอาด้านแหลมมนะด้านคมเนี่ยกรีดวับหมดเกลี้ยงเลยอันตรธานหายตั้มไปหมดการศึกษาพระธรรมในยุคนี้ก็เหมือนกันเฉพาะตัวธรรมเองเนี่ยหลายสูตรนะต้องอ่านอย่างน้อยห้าครั้งหรือสิบครั้งไปแล้วจึงจะจึงจะเอาเรื่องนั้นมาคิดได้ยกตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคิดเป็นพันครั้งลว อาจจะถึงหมื่นครั้งแล้วมั้งนะที่เอาคำว่าปฏิจจะเป็นต้นมาคิดเนี่ยเป็นพันๆครั้งอะ่ะเพิ่งมาอ๋อออเพิ่งจะเข้าใจบ้างอะ่ะไม่งั้นนี่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะก็แต่ถ้าสวดได้เนี่ยสวดได้ตั้งแต่เป็นเนยอายุสิบกว่าขวบแล้วสวดได้ตั้งแต่อายุสิบสีพิชาปัญยาสังขารายไม่เห็นจะยากอะไรเลยอันมา็าลึกซึ่ง้เราสวดได้ตั้งนานแล้ว พอเอาเป็นการเป็นงานเข้าจริงๆเนี่ยอวิชามคืออะไรวเนี่ยไม่รู้จริงสักอย่างเลยอะครันี่โอ้การศึกษาพระธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเขาจึงเรียกว่าคนที่ตรึกธรรมะได้หรือพิจารณาธรรมะเนี่ยนะอุปนิสัยเก่าค่อนข้างมากทั้นของเราเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งนะให้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้เลยแล้วตั้งว่าอีกสองสามปีข้างหน้าจะเอาเรื่องนี้มาคิดะนะอ่านไปก่อนอย่างเดียว แล้วมีมีหลายหายเรื่องด้วยอย่างปฏิสัมพิธาเนี่ยฝึกอ่านไว้ตั้งนาน <c oughs> กว่าจะเอามาคิดได้ไม่รู้มันคืออะไรและอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเราเนี่ยบุญไม่มากนักนะเราไม่ได้รับวิธีการฝึกคิดมาจากจากผู้ที่มีความรู้เขาแนะนํามาว่าคิดแบบนี้นะอนะคิดอย่างนี้แล้วไปสอดคล้องกับเรื่องนั้นแบบเรื่องนั้นแลสัมพันธ์กับเรื่องนี้นี่เราไม่มีเมื่อไม่มีก็อาศัยคัมภีร์เชื่อมคัมภีร์สูตรไหนที่เราจําไม่ได้นั้นก็อันตฐานก่อน จนกว่าจะจําได้และจึงจะเชื่อมข้อมูลเรื่องนั้ น, น, นได้นั้นกว่าจะเข้าใจแต่ละเรื่องก็ไม่ใช่ของง่ายนะักใช่ไตองใช้เวลานิดหน่อยคือในอินทรียสังวรเนี่ยฟังมาคนนานนะแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็ไม่คิดว่าลึกซึ้งอะไรนะแต่เมื่อมาพิจารณาดูนะในในพระสูตรที่กล่าวไว้ว่าอินทรีย์สังวรก็หมายความว่าถ้ามีอารมณ์อะไรเนี่ยปรากฏทางทวารทั้ง6นี่นะ แล้วจิตไม่เกิดอภิชาและโทมานะสรุปยอดที่สุดตรงเนี้ยใช่ไหมครับให้เห็นยังไงให้ได้ยินยังไงแล้วเนี่ยไม่ไม่เพ่งเล็งในนิมิตในอนุพยัญชนะเนี่ยแล้วก็จิตเพื่อที่จะไม่ให้จิตมาเป็นอภิชาและโทมานะถูกไหมครับก็นี่หมายความว่ า, วาเมื่ออารมณ์ปรากฏแล้วเนี่ยเราจะโยนิโส อ, อย่างไรจึงจะเป็นกุศลจนได้ไม่ว่าลักษณะไหนจะเป็นขั้นทานขั้นศีลขั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นใช่หรือไหมครับ จะเป็นอย่างนั้นได้คนนั้นเนี่ยนะจะต้องได้ในหนึ่งอารมณ์เนี่ยได้รับการตรึกมาเป็นอย่างดีเลยทุกๆอารมณ์เนี่ยนะได้รับการตรึกมาเป็นอย่างดีเลยที่ที่ที่กล่าวบ่อยๆก็คือว่าในอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยนะต้องฝึกคิดเลยเป็นสุภาพนิมิตยังไงเป็นปฏิฆานิมิตได้อย่างไระนะถ้าหากว่ามันละเอียดเกินไปเนี่ย เอาแบบหยาบๆเลยก็ได้ล่วงกรรมบดได้ไหมน้ำแก้วเดียวเนี่ย น, นะล่วงกรรมบทข้อที่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเนี่ยเอาสินห้ามาจับก็ได้อะในเรื่องเดียวผิดศินห้าได้ไหมต้องมันฝึกตั้งแต่เรื่องหยาบๆก่อนเนี่ยนะแล้วก็ถ้าล่วงกรรมถ้าล่วงเป็นผิดศินแล้วมีโทษไหมเอาเรื่องกรรมมาตรึกให้บ่อยๆนะในชั้นหยาบที่สุดก่อนเลยคื อ, คอเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องกรรมบทเป็นต้นทีนี้พอในชั้นละเอียดเข้าไปาถ้าไม่ถือโดยนิมิต นิมิตมีกี่อย่างสุา่าเงี้ยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตเนี่ยนะุเบคานิมิตอ่ะแล้วมาวิเคราะห์จิตอีกครั้งหนึ่งก่อนอันนี้เป็นอารมณะปัจจัยเฉยเฉยเนี่ยสามารถจิตเป็นได้กี่ดวงเนี่ยนะวิเคราะห์จิตทั้งหมดเลยทั้งโลพาแปโทสะสองโมหะสองเนี่ยนะเมื่อเห็นเนี่ยนะฝึกอันนี้บ่อยๆเสร็จแล้วถ้าจะเป็นทานกุศลมหากุศลจิตแปดจะเกิดได้ยังไงเอาบุญกิริยวัตถุสิบมาตั้ง แล้วก็ไล่ไปในอารมณ์เดียวสามารถเป็นได้ยังไงนะในแต่ละอารมณ์ต้องฝึกแบบนี้ก่อนอนะเสร็จแล้วฝึกในอารมณ์เนี้ยเป็นขันอะไรได้บ้างเป็นธาตุอะไรเป็นอายตนะอะไรเป็นอินทรีย์อะไรเป็นอริยสัตว์อะไรเป็นไปกับปฏิจจะเป็นไปกับอะไรยังไงนะต้องฝึกพวกนี้ให้คล่องจึงจะเป็นไปได้ถ้าความเข้าใจไม่เพียงพอเนี่ยนะน้อมยังไงก็ไม่ไปนะน้อมยังไงก็ไม่ไป พันในชั้นท่านนี้ก็คือสนทนาการบ่อยๆก็จะช่วยได้ฝึกสนทนาการฝึกเอามาคิดแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่ขยันตั้งโจทย์มากเออมองเห็นอันนี้นเป็นอริยสัจได้ยังไงอย่างนีคําถามแบบนี้มาตั้งฝึกตั้งแบบนี้ตั้งง่ายๆนะเป็นอินทรีย์ได้ยังไงทําไมจึงเป็นอินทรีย์รู้อินทรีย์แลําดียังไงคําถามพวกนี้นะเหมือนกับเล่นลิ้นหน่อยแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะ ในวิจัยหาระเนี่ยท่านบอกว่าวิจัยก็คือปุจฉาวิสัชนานต้องมีคำถามมีคำตอบเพราะธรรมะแต่ละอย่างที่เราศึกษาเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเหมือนกับเป็นคำตอบไปแล้วที่จริงคำตอบอันนี้เกิดจากปัญหาก่อนเนี่ยนะเกิดจากปัญหาก่อนเพราะฉะนั้นวิสุทธิมักนะถ้าใครอ่านจะรู้ว่าพระพุทธโคสาอาจารย์ท่านไม่ได้เรียกแต่งขึ้นอธิบรรยาไปเรื่อยตั้งกระทุ้ ข, ขึ้นก่อนศีลคืออะไร ศีลพระอาัฐาว่าไรศีลมีลักษณะที่จะดุกายอย่างไรท่านก็ตั้งนะสิเกือบสิบคำถามเนี่ยนะศีลมีกี่ประเภทศีลมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองศีลมีอะไรเป็นโทษศีลมีอะไรเป็นอนิสงส์มีอะไรเป็นเครื่องผ่องแผ้วนะเป็นโวทานแล้วท่านก็อธิบายไปตามนั้นอนะ่ะเสร็จแล้วก็จบแล้วเรื่องหนึ่งเนี่ยนะท่านก็จะตั้งกระทู ข, ขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้นในพระสูตรทุกสูตรเนี่ยนะก่อนที่พระองค์จะตรัสรรมเทศนาจะต้องมีมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนพระองค์จึงจะแสดงเป็นพระธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จ ะ, จะพิจารณาพระธรรมเหล่านี้ได้ต้องต้องหมั่นตรึกอย่างนั้นจริงๆขยันที่จะถามเป็นเป็นคนที่ขยันเขาจึงใช้คาว่าปริปุจฉาปริแปลว่ารอบปุดฉาก็คือถามถามโดยรอบเลยนะต้องต้องขยันแบบนั้นจริงๆ ถ้าคนที่อากูุศรวิตกมากๆถามไม่ได้เฉะนั้น อ, อย่างไรที่จะช่วยเกื้อกูลไม่ให้อากุศรวิตกเกิดขึ้นมากก็คือเรื่องกรรมช่วยได้เยอะนะถ้าเราไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาหรือหลีเกเล่นนะก็ต้องตรึกเรื่องกรรมมากๆให้สังเวทใจเกิดมากๆแล้วก็จะทำให้เราขยันที่จะจะฝึกตรึกพวกนั้นไป เรื่องสีสังวรใครยังไม่เข้าใจมั้งครับผมพอมองเห็นนะแต่ว่าโอ้รู้สึกมันยา ก, ยากจังเลยพอมองเห็นว่าเข้าสังวรกันยังไงเดี๋ยวนี้พอรู้ล้วใช่นะพอรู้แต่ว่าโอ้ยากจริงๆแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะสังวรไอ้เรื่องใหญ่ๆสัก่อนจอเจนพานึ่งในใจนะไอ้สังวรที่ใหญ่ๆก่อนนี้ที่เราเคยหวั่นไว้ง่ายก็ให้ยากขึ้น<ม>นิดนึงอย่างนี้นะครับเจนพาหาอุบายแล้วแต่นะหา อ, อุบายไงก็แล้วแต่ให้มัน ให้มันลดลงไปยังไม่เป็นกุศลก็อากุศลให้มันน้อยลงก็ยังดีและอีกนหนึ่งนะที่ที่ฝึกวิธีคิดเนี่ยจําสติปัฏฐานสักสองบัพพาก็ยังดีหรือนะนิวรบัพพาเนี่ยท่องให้ได้เลยหรือสังโยชน์บัพพาก็ท่องไม่อายตนาบัพพาก็จำไม่ยากนะะหรือโพชฌงบัพพาเนี่ยนะจาหัวข้อสองสามหัวข้อแรกก็ได้ได้ที่เหลือได้หมดแล้วใช่ไหมที่สูตรก็มีอยู่ง่ายๆถ้าเราจะฝึก ภายในเนี่ยนะสังเกตดูจิตที่เป็นอกุศลเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์อะไรอย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อนะพึงรู้จากตาพึงรู้จักสีพึงรู้จกัจกสังโยชน์ที่อาศัยตากับสีนี่เราก็ลองไล่สังโยชน์มีสิเป็นสกายทิฐิยังไงวิจิกิจชาสีรพัตะปรามมาเป็นกามาราคะปฏิฆามานะอุทจะนะพวก อวิชาได้อย่างไรแล้วก็ฝึกคิดก่อนถ้าไม่มีสังโยชน์ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วถ้าจะมีอ่ะจะมีได้ยังไงแล้วก็เอาสังโยชน์สิบมาตั้งสังโยชน์จะเกิดได้ยังไงถ้าเกิดแล้วละได้ยังไงถ้าละแล้วจะละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดอย่างเงี้ยต้องจําให้ได้ก่อนจําสูตรให้ได้ก่อนชั้นต้นเสร็จแล้วก็มาค่อยๆคิดตามนั้นไป แต่พื้นฐานในเบื้องต้นนะเราต้องรู้ว่าตาคืออะไรก่อนรู้จักตาเป็นอย่างดีทั้งโดยองคธรรมโดยอะไรเนี่ยนะสงข้อเป็นขันธะอรยตนะเนี่ยได้หมดแล้วชนานาญแล้วสีก็เหมือนกันสามารถที่จะส่งข้อลงขันธอริยตนะได้อย่างชํานาญแล้วจึงมาพิจรารณาธรรมะพวกสังโยชน์เป็นต้นได้เพราะธรรมะกลุ่มนี้คือฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์เนี่ยนะถ้าทุกข์สัตย์ไม่แน่นสมุทัยสัตว์ยากนะถ้า ตัวขันห้าจาไม่ได้เลยนะปัจจัยของขันห้าเนี่ยแทบบลืมเลยนะชื่อคนนั้นยังจำไม่ได้แล้วยาของเขาจะไปจำได้อย่างไรใช่ไหมสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะธรรมะก็ก็เป็นในลักษณะนั้นเอา้าท่านผู้ใดมีปัญหาอะไรไหมสนใจมาอินรียะสังวร <c oughs> สนใจใช่ไหมครับ เข้าไปสงเคราะห์เข้ า, ขากับสติปัฏฐานได้ไงคืออินทรียังบอร์เน้นที่ว่าเห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสเนี่ยนะรับกระทบโพธพภะนึกคิดจิตไม่เป็นบาปเนี่ยน ะ, ค, ะคือเน้นอย่างไรที่ใจจะไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสติปัฏฐานก็คืออะสัมโมหะสัมปชัญญะ<ม>ในยยกตัวอย่างเหมือนกับในเอาทางตาเลยนะขณะที่แลเหลียว แลเลียวโดยสาสกาศสัมปชัญญะก่อนเป็นอย่างไรประโยชน์ของการมองมองทำอะไรอันนี้ต้องชัดก่อนข้อสองมองและส ป, ปายะไหมประโยชน์ในการมองมีแล้วละ่ะมองแล้วกุศลจิตเกิดไหมอันนั้นเป็นส ป, ปายะขณะที่มองสามารถเจริญกรรมฐานอะไรได้บ้างอันนั้นเป็นโคจระมองแล้วสงเคราะห์โดยขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นได้นะแล้วพิจรารณา ไม่ใช่มานั่งไล่สู่เฉยๆนะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีใส่ใจโดยความเป็นขันท่าอิยตตนะเนี่ยนะตามที่ศึกษา ม, มาอย่างดีอันนั้นเป็นอาสามโมหะสัมปชัญญะอาสามโมหะสามปชัญญะก็มีหลายระดับนะใส่ใจตัวที่ขันห้าเสร็จแล้วปัจจัยของขันห้านะพอรู้เรื่องปัจจัยเป็นอย่างดีก็ตีรณะปริญญาก็จะตามนั้นไปเพราะฉะนนั้นสติปฐานนั้นต้องดูว่าสติปฐานสัพท์นี้อยู่ตรงไหนด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเพราะอนุปัสนาเนี่ยแปลว่าอนุปัสนาเจ็ดนะอนุปัสนาเนี่ยส่วนใหญ่ในคำพีในพระไตรปิฎกใช้หมายถึงอนุปัสนาเจดถ้าอนุปัสนาเจดก็คืออนิจจานุปัสนาเป็นต้นอนิจจานุปัสนาเป็นต้นก็คือระดับพังคยานถ้าหากว่าใช้คำว่าอนิจจานุปัสนาเอไม่ใช่กายานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยหมายถึงนวนระดับพังคยานเป็นต้นไป แต่ถ้าเป็นธรรมดาแล้วสติปัฏฐานในเบื้องต้นก็คืออะสัมมมหะสัมปัญญะนั่นเองน่นะที่จะคำไข่ครควนคำหนึ่งถึงความเป็นรูปเป็นนามเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเนี่ยนะแต่เราต้องเข้าใจความหมายว่าที่ท่านแสดงคำว่ารูปนามเนี่ยเพื่อย่อสะดวกในการแสดงเพราะว่าที่จะมาขยายเป็นขันห้าไปหมดเนี่ย โ, โหคำพีเนี่ยพระไตรปิฎกจบไม่เป็นแน่ ผ้าธัคขาจารย์หรือในอริขถาฎีกาส่วนใหญ่เนี่ยท่านกลัวจะพิสดารเกินไปเวลาท่านอธิบายไปแล้ะข้าพเจ้าเกรงจะพิสดารเกินไปนักละงงินนะอย่างสมานตะปาสาธิกาท่านก็บอกว่าขับจะขันจะ ก, กล่าวสุตันตนายมากไปเดี๋ยวก็เรียกว่ากลัวพวกที่กลัวพิสดารน่ะกลัวคมำพิมย่อจัดท่านก็เลยพอย่อๆพอสังเขป พ, พอสังเขป ทีน้ท่านก็พยายามจะจัดนิยามให้นัยะเอาไปตรึกต่อไปท่านก็จะให้นิยามให้อะไรว่าควรคิดตามนี้นะควรไปตรึกตามนี้ท่านก็จะให้หนัยไว้ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าในในเพศของพระพิสุน์นึกถึงสภาพบรรยากาศที่ท่านอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่ที่มันเงียบวิเวกนะนะแล้วคิดดูนะว่าในวินัยก็ดูหนังฟังเพลงเป็นต้นก็นไม่ให้แนละ้วใช่ไหมแล้วเอาไปคิดอะไร ก็าต้องเอาธรรมะเหล่านี้มามาตรึกมาเพ่งเพราะว่าพระหูสูตรมีการเพ่งหรือมีการตรึกนั่นเองเป็นเป็นกำลังของเขานะแล้วก็ต้องสามารถที่จะทรงจำให้ได้ก่อนออไม่ทาาราบผมจะเข้าใจปิดระถูนะเรื่องอินทรีสังวรนี่นะฮะถ้าถามบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาอย่างไรนี่นะฮะอินทรีสังวรตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะคาบคาบเกี่ยวกันอยู่นะ ถ้าสังวรในขั้นศีลก็ก็จะเป็นเป็นการอุปการะขั้นขั้นสมาธิสังวรขั้นปัญญาขั้นปัญญานู่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าผู้ที่เจริญสี่ปฐฐานเป็นแล้วก็ก็จะสังวรด้วยด้วยปัญญาอันนี้ก็ได้เป็นยังไงครับเจนนถ้าเราเจริญสี่ปฐฐานเป็นแล้วนี่นะฮะแล้วเราจะสังวรทางตาหูจมูกเนี่ยไม่ยากด้วยถ้านะสังวรโดยศีลเนี่ยนะ ถ้าโดยศีลถ้าเป็นภาพยกตัวอย่างพระพิสุเนี่ยนะถ้าท่านจะสังวรอินทรีย์สังวรโดยศีลก็คือในสิ่งเดียวเนี่ยเป็นปัจจัยให้ท่านล่วงวินัยอะไรได้บ้างนะคือพื้นฐานที่ท่านศึกษามาวินัยเป็นอย่างดีเออเป็นประราชิกได้ไหมเนี่ยนะเอาเรื่องประราชิกสังขารทิเศสนะทุลจริยปัจจิตีปฏิเทศนิยะทุกกฎทุกภาสิทธ์เนี่ยเอาบัตรแต่ละอย่างมาไล่ๆล่ ไ, ลไลอันนี้เรียกว่าสงเคราะห์โดยศีลว่าจะล่วงศีลได้อย่างไร จะผิดศีลได้ไหมเนี่ยนะเพราะว่ากุศลศีลเป็นเป็ น, ปนซับมันก็เอาเรื่องศีลเป็นปต้นมาวินิจฉัยหรือว่าอาศัยสิ่งนี้มีอ ბ ัตทั้งคาไหมอะไรไหมที่ยังไม่แสดงที่ยังไม่เปิดเผย ม, มีไหมทั้งความเรื่องศีลเป็นปต้นมาไข่ครวนอันนี้เป็นอินทรีย์สังวรที่เป็นไปกับกับศีลแทนที่จะคิดเรื่องทั่วไปก็เอาเรื่องศีลเป็นปต้นมามาตรึกความที่รักษาศีลมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยจึงเอาศีลอันนั้นมาเจริญศีลานุสติได้ ใช่ไหมศีลที่ไม่ขาดไม่ดังไม่ทะร้อยไม่ทะลุแล้วก็เป็นศีลที่เป็นไทยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเรื่องเรื่องศีลเนี่ยบริสุทธิ์มานาแล้วจึงเอามาตรึกได้ตรึกเมื่อไรโอ้ยอันนั้นไงยังอันนี้ก็ไม่ดีข้าก็จับตรงนั้นอดนั่นก็ปวดจับนี่ก็ปวดจับนั่นก็เมื่อยไปทั้งหมดอันนี้ไม่ดีละนะศีลไม่ดีก็จะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะผมผมเข้าใจอย่างงี้นะครับผมคิดว่า อินทรียสังวรเนี่ยนะฮะเอาอย่างขั้นเราเนี่ยนะขั้นเราเนี่ยควรสังวรขั้นที่ไม่ให้เราล่วงไปในเรื่องทุจริตในเรื่องเจตนาศีลเจตสิกศีเนี่ยสองอันเนี่ยเอาไอ้ขั้นเพราะว่าศีลมันมีสีระดับใช่ไหมครับเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีสังวรเป็นศีแล้วก็วิติกรมเป็นศีเนี่ยนะไ อ, สอ้สองกลุ่มแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเป็นสี ขั้นขั้รู้สึกขั้นต้นๆนะสำหรับหมาหมาะสำหรับเราที่จะต้องฝึกนะท่านกล่าวไว้ว่าสองกลุ่มแรกนี้นะจะไม่บริสุทธิ์ตราบใดที่เรายังสองวสังวรไม่ได้สังวรไม่เป็นท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเราจะขึ้นไปไปสูงนักเลยเอาแค่เรียกว่าเอากรมมบทมาตั้งไงเอากรมมบทเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรื่องเรื่องกรมมบทอ่ะอันในกรมมบททําไมท่านจึงพูดโดยมูลโดยเวทนาโดยอารมณ์โดยโกฏิถาโดยธรรมะเนี่ยนะ เพื่อที่จะให้ในเราเอาไว้ตรึกนั่นเองเนว่าสามารถล่วงกรรมบทได้ไหมในสิ่งเดียวเนี่ยนะก็ต้องฝึกในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เป็นต้นก็เอาเรื่องกรรมบทเนี่ยมาตรึกให้มากมากมาก น, ะนะนี่นี่คือเป็ น, ปนสังวรขั้นขั้นที่เราทำได้เจนิขั้นที่เราทำได้คือเป็นมนุษยธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะเรื่องกรรมบทสิบเนี่ยนะเป็นมนุษยธรรมถ้ากุศ ล, ลกรรมบทั้งสิบเราไม่แน่นนะเราก็อบายเราก็ยังปิดไม่ได้เนะี่ย เพราะฉะนั้นนะ <c oughs> เรื่องสังวร น, นี่นะครับเราควรจะมาสังวรขั้นห ย, ยาบๆไปก่อนนะให้ให้ใ ห, ให้ให้สีของเราบริรสุทธิ์สัก่อนเช่นพอดันะองในเรื่องของกรรมบวชเสดจเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่ขยันตรึกเลยเนี่ยนะเราจะไม่เห็นว่ากุศลกรรมบวชเสด็จเป็นทรัพย์เลยนะครับยกตัวอย่างเออวันนี้เราก็ไม่ได้ไปผิดอะไรมาเนี่ยถามว่าเอากุศลขณะไหนอะ่ะที่จะให้นําเกิดเนี่ยนะ ถ้าถ้าเราแน่ใจในเรื่องว่ากูจิตเราเป็นกุศลจริงๆนะเราถามเลยว่าให้พ้นนาเกิดได้ไหมถ้าให้พ้นนาเกิดสมควรจะไปเกิดที่ไหนหือเอาถามแบบธรรมดาทั่วไปนะเออขับรถมาเนี่ยบาปไหมไม่บาปไม่บาปนะส่วนใหญ่บอกไม่บาปไม่บาปเออไม่บาปก็เป็นบุญใช่ไหมบอกว่ใช่ๆนะสมควรจะไปเกิดที่ไหนสวรรค์ได้ไหมนะ จิตที่เป็นไปขณะที่ขับรถมาเนี่ยโอ้โหจาตุมสบายสบายเลยนะเดาว่าดึงก็ไม่ยากโอ้ไปรับใช้บีบนวดพระอินสบาสบายเลยเนี่ยก็ไม่ยากยามาอกีกไม่ไม่น่ามีปัญหาเลยเอามันกุศลจิตมันเกิดแถวเบาจนน้อมไปเกิดในที่ไหนไม่ได้ถ้าถ้าเรานับว่าเป็นกุศลเนี่ยน ะ, ะเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าศีลเนี่ยเขาสังวรมากอย่าลืมว่าในคมภีร์ท่านใช้สำนวน ว, นว่าบุคคลที่รักษาศีลเหมือนกับ นกต้อยติวิทรักษาไข่หรือว่าจามารีรักษาขนหางเพราะฉะนั้นเขาคํานึงอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเจอกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วเขาสามารถผิดสินอะไรได้บ้างเขาสังวรขนาดนั้นอ่ะเขาตั้งใจรักษาเหมือนกับว่าคนตามีตาข้างเดียวเนี่ยนะเขาถนอมในตาของเขาอ่ะที่ที่ในการเห็นเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้ดวงตาเนี่ยใช้ในยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในแต่ละอารมณ์ที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยศีลของเขาจะเสียไหมนะหรือว่าศีลจะเป็นเป็นได้อย่างไรแสดงว่าเขาเข้าใจในเรื่องศีลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในมงคลข้อหนึ่งก็คือวินโยจะสุสิคกิโตเนี่ยนะการศึกษาวินัยเป็นอย่างดีเนี่ยนะวินัยที่ได้ศึกษาดีแล้วเนี่ยเป็นอุดมมงคลอันะะะนั้นก็แสดงว่ามันตรึกบ่อยๆจริงๆไม่ใช่ว่าอยูๆ่ๆวันนี้ไม่ได้ไปผิดอะไรมา อย่าลืมว่าเจตนาศีลก็มีอยู่สองอย่างเจตนาที่งดเวน้นกับเจตนาที่ที่ทําเพราะในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เลยนะสมมติยกตัวอย่างเราอยู่กับเพื่อนอ่าเราอยู่กับแม่ดีกว่านะอยู่กับแม่เนี่ยนะเจตนางดเว้นก่อนคืออะไรเราต้องไม่ทําอะไรบ้างในกับแม่ที่ที่มันเป็นไปกับบาปอกุศลก่อนเสร็จแล้วเราต้องไปปฏิบัติอย่างไร นี่นะงั้นเจตนาเออกับแม่เนี่ยเราสามารถทําผิดศีลข้อหนึ่งได้ไหมเราอาจจะไม่ทําแต่ว่าให้เปรียบกับคนอื่นเขาทําตานาติบาตกับแม่ทํำไหมอานันทเรียกรรมนะอ่าต่อไปอทินนาทานเนี่ยเออบางทีเนี่ยนะคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับแม่เนี่ยนะทำบาปกับแม่มากมายก็คืออธินนาทานแม่เนี่ยนะทรัพสมบัติของแม่อะไรพอจะหยิบได้ก็หยิบพอจะช่วยได้ก็ฉวยนี่เป็นปัจจัยให้อธิ น, นาทานได้อันนะเกี่ยวกับแม่การเมอะไรอาจจะไม่มี แต่คนที่ไม่มีโยนิโสก็มีได้เด็กก็แม่มุสาวาจหลอกแม่ไหมพฤสวาจาบางคนเนี่ยนะใช้คําที่ค่อนข้างหยาบกับแม่อย่างเงี้ยหรือสัมผัสปลาปะซอเสียดแม่กับคนอื่นๆเนี่ยนะแม่พี่ไม่ดีเลยหนูดีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย น, นะจะเอามารดกอย่างไงเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ปิสุณาวาจาได้หรือพฤสวาจาก็ได้หาาาไดเห็นว่าชารามากๆเข้าก็ตําหนิดูมิน ใ น, นซึ่งซึ่งอันนี้ก็เคยได้รับบ่อยๆอยู่แล้วได้รับข่าวบ่อยๆแล้วเราเป็นอย่างนั้นไหมเราต้องเวน้นแล้วเพิรเจอร์นะสัมผัสปลา ป, ปะเนี่ยบ่อยไหมอย่างไงกรรมบทนะกายกรรมวจีกรรมนะพยาบาทมีไหมกับแม่และอภิชามีไนมในทรัพย์สินเป็นต้นของแม่เนี่ยนะแล้วอาศัยแม่เนี่ยเราเข้าใจว่าแม่ถ้าตายแล้วศูนย์ไหมอันนั้นจะเป็น มิจฉาทิฏฐินั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าเราจะเริ่มห้ามจิตนะอมองเนี่ยเผลอไปได้นะต้องระวังเหมือนกับคนที่มีลูกคนเดียวก็ ถ, ถนอมลูกใช่ไหมหรือคนที่มีในตาข้างเดียวก็ถนอมอันนี้ก็ถนอมกุศ ล, ลเจตนาของตัวเองเหมือนกันในลักษณะนั้นเกี่ยวข้องในอารมณ์นั้นๆแล้วเป็นกุศลได้อย่างไรผมข อ, อย่าเสริมนิด น, นะคือพอขึ้นพอขึ้นเจตสิกเป็นสีนี่นะครับ เราเห็นว่าองค์ธรรมก็คือว่าสัมมากัมมันตานี่นะนอกจากที่เราจะไม่ทําพฤติประพฤติทุจริตกับแม่แล้วนี่นะเราจะต้องต้องเป็นสัมมาวาจาสัมมาคัมมันตาด้วยเช่นท <c oughs> ําถึงแม้ว่าเราจะไม่พุลุศวาจากับแม่อไม่สัมผัสระ ป, ร ะ, ประกับแม่แต่ก็ต้องมีวาจาที่ดีนะกับแม่ด้วยนี่นะนี่เห็นว่าศีลเนี่ยขึ้นมาอีกระดับนะนแล้วก็เป็นศีลเข้าไป นะถ้าในในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกถึงลักษณะเข้าไปบีบไปนวดไปดูแลไปปรนิบัติเรื่องข้าวน้ําเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะเป็นภาระที่ที่จะต้องเข้าไปทำํำเพราะว่าเป็นเหมือนกับพระอรหันของของลูกเนี่ยนะบอกว่าเป็นอาหุนยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลที่ลูกเข้าไปปฏิบัติเยี่ยงกับพระอรหันต์หรือเหมือนกับที่อาจารย์บุสวง์เนี่ยเอามาเปรียบเทียบ ก, ก็ก็ดูชัดเจนที่บอกว่า แม่เนี่ยถ้าเราทำไม่ดีเป็นอนันตริยกรรมคือฆ่าแม่กับฆ่าผ้าอรหันเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำกุศลกับแม่ก็เป็นกุศลจิตที่ไม่ธรรมดาลักษณะเดียวกันนั่นแหละก็ให้มองฝ่ายดำก่อนแล้วก็ขาวก็จะเห็นมากขึ้นผมได้ยินบ่อยๆครับที่เพื่อนๆเอาพ่อแม่แก่ๆมาแล้วก็เอามา เอามาพูดกันเป็นที่สนุกสนานจะว่าล้อเล่นก็ไม่เชิงจะว่าจริงจังก็ไม่ใช่นะพวกเขาก็รักแม่เขาอะไรนะแต่ว่ามักจะพูดถึงว่าคนแก่ก็เงื้อเงื้องะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยกับอะไรเนี่ยมาพูดให้เราสนุกให้เราเป็นเป็นอารมณ์ของเพอ้อเจออ้อครับมันเป็นเรื่องของความเพอ่อเจ้อจริงๆนะแล้วผมก็นึกแล้วนึกเราก็วันหนึ่งก็เหมือนกันนึกในใจนะฮะแต่ว่าโอ๊ยอวาจาอย่างนั้นไม่ควรก็ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่มเป็นบุกเป็นอาหุนย่ บ, บุคคลเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นเนี่ยนะยังทําเป็นโจกได้นี่ก็สแสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ดูดูเขาเขาก็าเขาเขาล้อแบบรักกันนะ<ร>ลอ้อ แ, แบบเนี่ย น, นะแบ่งอารมณ์แต่ว่าไม่ควรทํานะแบ่งอารมณ์กันคนละตอนเนี่ยตอนที่ล้อก็ขนาดหนึ่งตอนที่จริงก็ขนาดหนึ่งนี่นะปุถุชนทั่วไปก็จะเอาไอเจตนาเดิมๆมาตั้งยกตัวอย่างพระองค์หนึ่งบอกโอ้ยผมเนี่ย ที่มาบวชอยู่ทุกวันผมมีศรัทธาในพระศาสนามากผมจะอุทิศชีวิตนี้แด่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะไปที่ไหนก็อไอเจตนาที่ตั้งไว้ก่อนบวชนะั่นแหละไปขายกินแต่ว่าพฤติกรรมคําพูดหลังจากบวชเข้ามาแล้วไม่เหมือนอย่างที่ตั้งไวท้ทีแรกแต่ไปที่ไหนก็เอาไอเจตนาเดิมนั่นแหละมาเป็นตัวขายนะเพื่อที่จะร้องเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งาการเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ทั่วไปก็เหมือนกันหลายท่านบางคนก็เป็นในลักษณะเพื่อที่จะ โอ้ฉันดีนะฉันเลี้ยงดูพ่อแม่ลักษณะนี้เพื่อให้คนมองเห็นในจุดนี้เท่านั้นเองแต่ในลักษณะทําด้วยความจริงใจเป็นต้นอ่อน<ฤ>ถ้าทําด้วยความจริงใจเป็นต้นอ่อนนะใจของเรานะมันเป็นบุญเป็นบาปอะคนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเราก็บาปเท่าเดิมนั่นแหละบุญก็บุญเท่าเดิมนั่นแหละแต <ez> ่คนอื่นเข้าชมไม่ได้ทําให้บุญเราเพิ่มเนอะเขาด่าก็ไม่ใช่จะบุญให้เราลดตัวอย่างน ะ, ะตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างในคางนี้เรื่องจริงเลยนะ บอโอ้โหนี่แม่ฉันนะมะม่วงเก็บมาจากสวนนึอใครเข้ามาให้สักฉลอมนะโอ้แม่ฉันเก็บหมดเลยแล้วก็ค่อยเอามากินเนี่ยนะที่ลูกที่มันเริ่มเป็นจุดนึกเอามากินให้ลูกดีๆเก็บไว้ตกลงกินมะม่วงจุดตลอดเลยอย่างงี้นะกินมะม่วงเน่าตลอดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่คุยกันเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็สนุกนะแล้วก็ฟังแล้วก็สนุกนะเขาก็สนุกนะแล้วก็ฟังแต่ผมฟังฟัดูแล้วแม่รู้หรือเปล่านเนี่ลูกออกมาพูดอย่างงี้ยนะ ก็ไม่ทราบว่าเป็นวาจาอะไรกันแน่แทนที่จะเป็นเทวทูตตามลักษณะของเทวทูตนะว่าออคนชารา ก, ก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งสักวันหนึ่งเราก็ไม่ได้พ้นสภาพแบบนั้นหรือสภาพแบบนั้นเราก็ยังไม่ได้พ้นเฉพาะชาตินี้ก็ยังไม่พ้นแล้วก็สภาพที่ไปเป็นลักษณะนั้นชาติต่อๆไปอีกอีกกี่สิบชาติะที่เราจะต้องมามาเป็นแบบนี้แล้วข้อปฏิบัติอะไรเพื่อพ้นจากสภาพที่ ที่ชราแบบนี้มีอีกไหมนะในปาสราสิสูตรนี้ชอบที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าเราเองนั้นเป็นผู้ที่มีชาติเป็นธรรมดาก็ยังยินดีในสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดามีชรามีพญาทีมีมรณะมีโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตแล้วก็มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งลักษณะเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนชราเป็นต้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติ ตามคำสอนเพื่อเบือน่ายคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าอริยมรรคไม่เกิดสภาพแบบนั้นเราก็ยังไม่ไม่พ้นแสดงว่าเราก็ยังยินดีในสภาพแบบนั้นอยู่เนีย่ยนะแล้วถ้าถ้าเป็นมนุษย์ในยุคนี้ก็นับว่าดีไปนะแต่ถ้าเป็นยุคต่ อ, ต, อต่อไปก็ลำบากแล้วมีเผ่าอยู่เผ่าหนึ่งเขาเอาแม่เนี่ยไปขึ้นที่ต้นไม้เนี่ยนะขึ้นแล้วก็เขยา่าถ้าตกลงมาก็แสดงว่าตายได้ล้ ถ้าเอาไปเขย่าแล้วไม่ตกเอาไปเลี้ยงต่ อ, อถ้าเขย่าแล้วตกมาก็แสดงว่าได้เวลาแล้วนั่นแหละเขามีเผ่าลักษณะนั้นเขามีมีรับที่มีอะไรตั้งหลายอย่างนซึ่งหลายหลายคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำําสอนเนี่ยจะทําบาปทํากรรมขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จนะเราลองไปไล่ๆ่ดูนะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เป็นคนกระตันอยู่นะ เราเราลองไปศึกษาเทียบเคียงเลยคนที่กระตันยูชีวิตของเขาส่วนใหญ่ประสบอย่างน้อยมีความสุขกับคนอากตันยูเนี่ยนะในพ่อแม่พ่อแม่มีหลายๆลูกเนี่ยนะลูกคนหนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่กันอย่างดี <c oughs> ลูกหลายหลายลูกะนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือลูกหลายคนนั่นแหละ <c oughs> เอาแต่อัตะ นะแล้วในลูกคนใดที่อากตันยูมากลูกคนนั้นจะทุกมากในในในพี่น้องคนเดียวกันเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันแล้วลูกของคนนั้นอีกต่อไปจะอากตันยูคูนเข้ามาอีกเนะคือทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยนะมันคูนกันมาหมดเลยนะเพราะในโลกนี้ชาวนะเราก็จะเป็นลักษณะนั้นสุดแท้แต่การสะสม แต่ว่าการสะสมเหล่านี้เนี่ยนะบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลบ้างกุศลบ้างแต่กุศลเนี่ยน้อยเลือกเกินเมื่อกุศลน้อยเนี่ยนะถ้าเราฉลาดแล้วก็เร่งปุ๋ยเข้าสิจ๊ะไห ม, มเหมือนผลไม้ไม่ออกลูกเรก็ใส่ปุ๋ยเอากุศลแจิตเกิดน้อยเพราะการพิจารณาน้อยไปยนะก็เพิ่มความเข้าใจในเรื่องของกุศ ล, ลกรรมบทให้มากๆขึ้นเนีย่ยนะแล้วก็เอามาตรึก เรื่องราวเหล่านี้ให้มากมากมาก ม, าก ม, ากมากแล้วก็อย่าคิดว่ากรรมชั่วจะไม่ให้ผลแล้วก็คนหลายท่านบางทีก็อาจจะเอ๊ชาตินี้ฉันก็ไม่ได้ทำบาปอะไรมากมายอย่าลืมว่าสังสารวัตเนี่ยนะน้ำตา ม, มากกว่าน้ํำทะเลเนี่ยแสดงว่าน้ําตาเกิดทิงก็โทสะทีหนึ่งใช่้หมโทสะสมบาปไว้ขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นพร้อมที่จะเป็นอะปราปริยะเจตนาให้ผลนําเกิดได้เป็นกระตะตาวาปณะณกรรมนะมาให้ผลนําเกิด เวลาใกล้จะจุติไปก็ได้หรือถ้าหากว่าเรามองกุศลของเราดูนะเราทํากุศลการชาตินี้เออชาติหน้าไปสวรรค์ถามาชาติหน้าไปสวรรค์เนี่ยเราจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปฟังธรรมต่อเนี่ยนะไปเจริญกุศลธรรมหรือว่าไปเพลดิดเพลินในการมาคุณห้าเอายกตัวอย่างเช่นเราจะมีโครงการไปสักจังหวัดหนึ่งนะหรือเข้ากรุงเทพก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นเมืองศรีวิไลเลยนะเป็นเมืองอย่างดีเลยนะ ต่างประเทศที่มีดีวทิวทัศน์ที่ดีมากนะจะนึก่าไปถึงที่นั่นฉันจะไปสนทนาธรรมนะโอไปอ่านหนังสือพระธรรมใจคงสงบมากอย่างนี้ทำไมล่ะน้อยมากเอ๊ยจะไปเก็บภาพนั้นไว้อย่างไงอย่างเงี้ยจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่ละพัฒนอ่ะแล้วแต่จะคิดได้ใครมีวิดีโอก็จะถ่ายวิดีโอมีเพื่อนก็จะไปคุยเป็นการเป็นงานก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่เป็นไปกับกุศลมากนะถ้าเราในสวรรค์ก็ลักษณะเดียวกัน นึกถึงเมืองเชียงใหม่นะเชียงใหม่นี่ถนนโหต้นไม้แต่ละต้นก็มีไฟแสงสีหมดเลยเมื่อเห็นไฟเหล่านั้นนึกถึงที่จะไปสนทนาธรรมไปพูดคุยเป็นพระธรรมเป็นไปกับดีๆมีไหมยากมากรถที่แวะเข้าวัดเนี่ยมีน้อยมากไปนะข้างร้านข้างๆถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะที่ทานอาหารเนี่ยคนไปทานอาหารกันเต็มไปหมดเลยลักษณะนั้นอ่ะที่ดูพอเขามาเป็นมนุษย์เขาก็เพลินแบบนี้แหละ อันหมูเทพก็ลักษณะเดียวกันแล้วบุญที่น้อยนิดที่ทําไปละ่ะอยู่สวรรค์ได้สักเท่าไหร่เจ้าใช่ไหมก็ถ้ามาเท่านี้ก็อย่างนี้ปัญหาหนักกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะยุคหน้าต่อไปผู้าศาสนาก็จะจะหมดแล้วผู้าศาสนาในยุคต่อๆไปก็จะหมดเหมือนกันนะแล้วกรรมที่ทําไว้มันก็ไม่ลืมเรานะนะลืมบาปแต่ว่าบาปก็ไม่ลืมเราอ่ะมีโอกาสเขาจะให้ผลทันทีเลยถ้าได้ปัจจัยพร้อมเขาก็ป่วย ได้ปัจจัยพร้อมเขาก็ไข้ได้ปัจจัยพร้อมเขาก็เจ็บเขาก็ปวดเขาก็เมื่อยไปหมดนั่นแหละนั้นอกคุสนที่ทําไว้ก็จะลักษณะเดียวกันอันถ้าไม่ตื่นตัวเห็นความเป็นไปเห็นภัยของสังสารวัตเห็นภัยของขันธ์ธาตุยตนะเนี่ยนะถ้าไม่เห็นภัยจริงๆแล้วชีวิตคงลำบากยาวแน่นอนเนี่ยนะลำบากอีกยาวเพราะว่านึกนึกถึงชีวิตเป็นไปนะเพราะว่าขอมาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในชนบท นึกถึงชีวิตความเป็นไปของชาวชน บ, บทนะนะเวลาที่เขาทุกข์เขาก็ทุกข์จริงๆเลยนะเติมตั้งแต่ดึกอย่างเงี้ยไปตากแดดตากฝนจนค่ํากว่าจะเข้าบ้านในครั้งหนึ่งไปอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตวนอยู่อย่างนี้ตั้งร้อยเดือนด้วยกันอย่างอย่างบางท่านกลางวันเขาก็ไปทํานาทั้งวันเลยกลางคืนก็ไปทําประมงนะประมงน้ําจืดเนี่ยนะได้ถ้าได้มากหน่อยก็ไปขายถ้าไม่ไม่มากก็มาเลี้ยงครอบครัวไป ก็ใช้ชีวิตวนอยู่อย่างนี้แล้วไม่ใช่ปีเดียวด้วยนะห้ปีเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยนะหกปีแล้วเป็นคุณตาคุณปู่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็วนอยู่อย่างนี้ตลอด60ปี70ปีกันเนี่ยก็อุ้ยทำนะถ้าสิ่งที่เขาทําถ้ามันเป็นอกุศลจะไปเก็บไว้ที่ไหนนาะบาปอากุศลเหล่านี้บางทีก็ทําให้กรุณาเกิดที่ว่าเออได้ฟังทำสักหน่อยกุศลจิตเกิดสักนิดก็ยังดีนะอย่าได้บาปบริสุทธิ์นักเหมือนกันมีบุญจแจมบ้างก็ยังดี นะเผื่อจะได้ไปคติที่ดีบ้างแต่จริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายที่ใจเป็นไปกับกุศลเนี่ยอ่อนมากเนีย่ยนะน้อยมากยิ่งคนที่ไปทำกรรมมาหนักๆแล้วด้วยที่จะศึกษาพระธรรมให้ละเอียดลึกซึ้งก็ก็ค่อนข้างยากก็เหมือนกับคนมีมีแผลนั่นแหละพอมามาเรียนเรื่องอยู่เรื่องยาเข้าหูแผลใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงจะหายเนอเนี่แหละ ในเรื่องศีลเนี่ยพยายามมาปารบบ่อยๆนะถ้าหากว่าเรากุศลศีลอ่อน on, นะกรรมบทเป็นต้นอ่อนนะคติของเราก็ยังเลือกเกิดไม่ได้นะธรรมะกี่อย่างนะที่ทําให้เลือกเกิดได้5อย่างนะศรัทธาศีล น, นะกุศลศีลต้องปารา บ, บ่อยๆนะสุตตาจาคะและปัญญานี่กรรมตัวไหนจะให้ผลนําเกิดดี พอพอพอนึกออกไหมสมมติว่า ม, มัวใครไปไปให้ทานมาจะเอาอารมณมนะปัจจัยอันนี้แหละนะให้เป็นกรรมมิมิตพบหน้าหรือศึกษาธรรมะให้ได้กุศลและจิตดีๆสักครั้งหนึ่งนะแม่จะเอาอันนี้แหละเป็นกรรมมอารมณ์นำเกิดภายหน้านี่เคยเคยปาร บ, บ้างหรือยัง ใช่ถ้าถ้าถ้าปัจเจกมันปัจเจกบ่อยๆนี่เจอมีส่วนช่วยให้อินทรีย์สังวรดีขึ้นนะช่วยช่วยมากเลยช่วยมากเลยนะปัจเจกปัจจัยเศษเนี่ยเศลอินทรีย์สังวรเศษเนี่ยนะจะดีได้ต่อเมื่อปัจเจกด้วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะอย่างเสื้อผ้าของเราเนี่ยที่เรานุ่งห่มเนี่ยถ้าไม่ปัจเจกนะที่จะไม่ให้ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเป็นต้นก็ ก็ยากนะใช่ไหมต่อเมื่อปัจเวกนั้นการปัจเวกมีอยู่สองในยะด้วยกันก็คือปัจเวกถึงประโยชน์นะประโยชน์ของการใช้สอยเนี่ยนะว่าใช้สอยทําอะไรนะที่สุดของการใช้สอยนี่คืออะไรนีพูดถึงประโยชน์แล้วก็ปัจเวกโดยธาตุมนสิการเนี่ยนะปัจเวกโดยธาตุมนสิการว่าเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้สอยเนี่ยเป็นธาต์อะไรบ้างใช่ไหมเมื่อเห็นทางตาก็เป็น เป็นธาตุอะไรรูปธาตุใช่ไหมรูปธาตุถ้านุ่งห่มแล้วจับมีเสียงก็เป็นสัทธธาตุธาตมีกลิ่นก็เป็นพันธาตุเอามานุ่งห่มเป็นโพธพาธาตุเนี่ยนะมันก็เป็นพวกธาตุเหล่านี้ธาตุเหล่านี้เนี่ยเราก็มาปารัว่าบุคคลผู้ใช้สอยก็เป็นธาตุใช่ไหมตาที่เห็นก็เป็นจักขูธาตุเสียงหูที่รับเสียงนั้นก็เป็นโสตธาตุนะกายที่มานุ่งห่มก็เป็น กายธาตุเนี่ยนะถ้าได้เรื่องธาตุต่อไปก็ต่อแล้วใช่ไหมธาตุเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยนะแต่ละธาตุเกิดด้วยปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ถ้าจะปารถถึงความเส้นความเสื่อมของผ้าเราเออผ้านี่มีอายุใช้งานเท่าไหร่เนี่ยนะตามปกติของผ้านี่จะเสื่อมจะสิ้นด้วยเวลาเท่าไหร่แล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ผ้าเหล่านี้เสียหายเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะว่าการพิจารณาเรื่องเรื่องอันนี้จังไม่ใช่ว่าโหให้เป็นผ้าเนี่ยนะมันแตกเป็นผุ๋ยผงรีประยับเหมือ น, นเอาไปโม่อะไรหรอกก็คือพิจารณาถึงอายุใช้งานของผ้านะวัตถุดิบเหล่านั้นว่าจะมีอายุใช้งานเป็นต้นเท่าไหร่อย่างไรและก็สามารถเป็นอารมณปัจจัยของจิตอะไรเราบ้างนะก็เราก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะทั้งโดยธาตุมนสิการแต่ก็ที่จะมั่นคงได้การพิจารณาในเรื่องประโยชน์นี่ก็สําคัญมากเลยนะ ห้องได้ก็ดีนะเนี่ยนะว่าจีบอลหรือผ้าที่เราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อบําบัดความร้อนเพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดกและสัตว์เลือดคลานทั้งหลายแล้วก็เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยนะประโยชน์นี้คือประโยชน์ของการใช้ผ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาดมณสีกางถ้าเราฝึกตรึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆชํานาญหลายๆสิบครั้งเข้า ต่อไปเราจะเอาเรื่องนี้มาเป็นอา ร, รมณปัจจัยของอะสัมโมหะสัมปชัญญะต่อไปเนี่ยนะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต่อด้วยอะสัมโมหะสัมปชัญญะได้อย่างพิจารณาเรื่องปฏิกูลในเรื่องอาหารก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่โอ้จีบินทบาทนี้เราบริโภคแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ ไม่ใช่เป็นไปตกแต่งแต่ก็ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อหมดความลำบากทางกายเนี่ยนะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะนะไม่ต้องทุกข์เพราะเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่บริโภคจนทำให้เกิดเวทนาใหม่นะด้วยการบริโภคอย่างนี้ความเป็นอยู่พาสุขก็จะมีแก่เรา อันนี้เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะหรือประโยชน์ของการบริโภคเสร็จแล้วก็ต่อด้วยอาหารเรปฏิกูลสัญญาต่อไปอีกเห็นนะแล้วก็สามารถที่จะปรรพถ้าการปรารบการตรึกในเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นอ่อนความเป็นขันท่าอายตนะก็จะอ่อนไปเท่านั้นนะอย่างอย่างที่บอกว่าเออลิ้นมีกี่รูปรถมีกี่รูปอันนี้นเป็นแนวทางเฉยซึ่งพื้นฐานเราก็ต้อง มีกุศลจิตหล่อเลี้ยงในการพิจารณาพวกนี้ค่อนข้างมากนะจึงจะพิจารณาต่อไปได้แต่ถ้ากุศลจิตเกิดนิดๆหน่อยๆเนี่นนย น, ยนนะเ น, นี่นี่ยแย่ละแสดงว่าในชีวิตจำมันเนี่ยนะผู้ใดทําให้จิตเป็นกุศลมากที่สุดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นชีวิตคารวะาก็ยากจริงๆนะครับแคบจริงๆถ้หากว่าใน ผมมองภาพเห็นว่าพระโยคาวาจารสมัยพุทธกาลนั้นนะี่ท่านทําจิตเป็นกุศลได้มากมายทีเดียวนะและผู้ที่จะทำจิตเป็นกุศลได้เนี่ยต้องมีความรู้เยอะต้องมีข้อมูลอย่างที่ท่านว่านะต้องมีข้อมูลมากมายทีเดียวเพื่อที่จะเอามาสู้กับมัน อ, อาชีพที่ <izin. S 2> ต้องใช้ความเตินตัวที่สุดคือศึกษาธรรมะเมื่อเ<ใ>ทียบกับทุกแขนงเลยนะ ทุกๆแขนงยังมีเวลาไปเพลินสบายแล้ววันนี้นะว่างสามวันนอนเล่นหรือไปดูทีวีดูหนังเพลินสัก3วันก่อนนะแล้วค่อยไปทำงานนั้นๆต่อไปได้อะไรได้แต่พระโยคาวจรในผู้าศาสนาไม่เป็นลักษณะนั้นชีวิตของท่านเหมือนกับว่าท่านจะต้องตายในวันวันนี้เมื่อว่าชีวิตจะต้องสิ้นในวันนี้เนี่ยกิจอันใดที่จะต้องทาอะ่ะจะต้องรีบทากิจนั้นๆ ตื่นตัวขนาดนั้นนะพระ อ, องค์จึงตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจะประโยชน์อะไรด้วยการหลับเนี่ยนะเพราะเธอผู้ยังเร่าร้อนด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตายแบบคนมีราคะก็ไม่ดีผู้ถ้าหากว่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าบางองค์นะใครตายแบบพระเสขาดยังถูกตำหนิเลยเป็นพระโสดาบันและมรณภาพแนละถูกตำหนิเนะีเป็นที่ดูแคลนของพระ อ, อริยะทั่วไปเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอรหันกันหมดอะ จะกล่าวไปยายถึงตายแบบคนมีกิเลสอย่างนั้นเนี่ยนี่สหรับพระผูธศาสนาของพระผู้มีพระภาคบางบางพระองค์เป็นลักษณะนั้นอย่าพระผู้มีพระภาคพระนามัตถีปังกรเนี่ยนะเพราะว่าคนในยุคนั้นอายุยาวมากนั้นสา ม, มารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นอาการเจริญมรณาอุสตินี้ก็เพื่อกําจัดความเมาเนี่ยนะถ้าเจริญอสุภะก็เพื่อกําจัดราคะเจริญเมตตาเพื่อกําจัดโทสะเจริญ มรณานุสติเพื่อกําจัดความเมาคําว่าความเมาก็คือความสําคัญตนหรือเพลิดเพลินเนี่ยนะว่าเอออายุเรายังไม่มากนะเรามีความรู้เยอะนะเรานี่เป็นคนที่ยังแข็งแรงยังสุขภาพดีเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นหัวหน้าเป็นผู้ทรงแก่เรียนเป็นพหูสูตรเป็นนักเป็นหัวหน้าบิณฑบาตเป็นผู้สมาทานทุดงเป็นต้นเนี่ยนะ เจริญมรณานุสติเพื่อกําจัดความเมาบอกโอ้เป็นอะไรก็ตายเมื่อกันหมดนั่นแหละมันก็ลืมไปอ่ะนะความสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็หมดไปไอ้ความเมาก็คือมานะนั่นเองเนี่ยพอถ้าบอกว่าอา้าวจะจุติแล้วเนี่ยโอ้โหมานะนก็ลดแต่เยอะนะอันนะแล้วจําพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระ อ, องค์ตรัสว่าผู้ที่สําคัญตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัตวนั้นเอ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แพร่ราะมากตรงนีเนี่ยนะมั น, นจะมีอะไรนอะนอกจากไม่เห็นอะไรไม่เห็นอริยสัจถามว่ามีอะไรเป็นเอาเป็นจริงเป็นจังซากอย่างเลยได้ไหมเนี่ยนะทุกเรื่องเลยในโลกเี้นะเอาดูเหมือนให้มันจริงจังไม่มีซากอย่างเลยเพราะว่าธรรมชาติของสังขารที่มั่นคงเที่ยงแท้มีหรือเปล่านะไม่มีอะไรมั่นคงจีรังยั่งยืนแม้แต่นิดเดียวแล้ว ถ้าบอกว่ามรณานุสตินะวิธีเจริญก็คือให้เอาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะยกตัวอย่างเลยแต่ใครจําประวัติศาสตร์ได้เยอะเนี่ยก็ดีนะความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ช่วยเยอะนะสมัยพุทธกาลเนี่ยคนมีเท่านั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็นิพานไปแล้วภาษาริบุตรมีปัญญา ม, มากกว่าดับขันไม่หมดแล้วเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยหรือประวัติประเทศไทยก็ตั้งแต่คุณหลวงเมามาเรื่อ ย, น, ยนะ มากรุงสุขโขทยัยมากรอบบุรียุยทธยาอะไรก็ไล่มาเรื่อยๆแนละ้วตายไปหมดแล้วแล้วเราจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไล่คนข้างหน้าเอกเอคนต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะลูกหลานต่อไปเดี๋ยวจเจริญเติบโตเดี๋ยวก็ตายเนี่ยมองคนกขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กําลังตายด้วยว่า้นความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยสรุปแล้วเราก็ตายเนี่ยนะมันจะต้องมี ความสําคัญเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะตายแทบทุกลมหายใจเข้าออกแล้วสิกขาสามก็ยังประพฤติไม่บริบูรณ์นี่นะมันก็จะทําให้ตื่นตัวในการเจริญกุศลจิตขึ้นเนี่ยนะะถ้าเจริญกุศลจิตเพื่อปรารถนาพบเนี่ยนะพระองค์ไม่สารเสริญชื่อว่าตั้งจิตเอาไว้ผิดด้วยนะถ้าเจริญกุศลเพื่อปรารถนาพบนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรารถนานิพานมันก็กําลังก็ไม่พออีกนั่นแหละ เพราะว่านโน่นก็ยังดีนี่ก็อร่อยดีไปหมดเลยอ่ะอาหารก็อร่อยทีดีก็อดีมันดีไปทั้งหมดอย่างเงี้ยเอาอะไรกันแน่นะมันก็ออินทรีย์อ่อนจะเป็นลักษณะ น, นี้แหละมีหน้านะจึงห่างว่าพุทธเจ้าขนาดนี้ไม่แปไกลเลยพองธรรมานะสรรพเรียนซีเป็นต้นอ่อนจริงๆริงอาจารวันนี้อ่านกุลททานะเทระเอ๊ะเทระกาธา นี่ท่านท่านกล่าวถึงอินทรีย์ด้วยนะท่านบอกว่าภิส<ม>ูพุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต 5, ่ำห้าพึงละสังโยชน์เบื้องสูงห้าพึงเจริญอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นให้ยิ่งขึ้นไป พ, พิสูจผู้ล่วงทำเป็นเครื่องค้องห้าประการได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าข้ามบุคคาได้แล้วนะ<ม>และและท่านปรากฏว่าท่านเป็นบุรุษ ค, คุณพิเศษปฏิสัมพิทาสี่ทโมกแปดอภิญญาหก แล้วก็เป็นผู้เลิ่กว่าพิสูจน์ทั้งหลายในเป็นผู้จับสลากก่อนอ๋อเป็นพระที่เอตท<ช>ัคคะด้านจับสลากนะคือเขาเว่าจับสลาก เ, งงเอาเฉพาะพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เท่านั้นอ่ะนะเขานิมนไปฉันที่ไกลอ่าเมื่อนิมนไปฉันที่ไกลนั้นพระที่จะไปนั้นต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเดียว<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหาะได้อย่างเดียวนะที่ที่จะไปฉันได้องค์นี้เอาทีแรกเลยก็เลยได้เป็นเอตทัคคะ แต่ว่าพระรูปนี้ท่านบวชมาแล้วประวัติท่านค่อนข้างโดดเดือดหน่อยก็คืออดีตชาติเนี่ยมีพิสุสองรูปเนี่ยนะไปไปทุดองด้วยจาริกจะไปทำํำโมโบสถเป็นต้น เ, เขาเป็นรู ก, กเทวดาบอกภิกสุสองรูปนี้เป็นเพื่อนรักกันดีนาะ <c oughs> จะแกล้งกันหน่อยดูสิก <c oughs> <ส>็ปลอมตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงอทีนี้พิสุรูปนี้ก็เข้าไปทําธุระข้างๆพุ่มไม้เนี่ยนะ เทพธิดาเทพพระบุตรนี้ก็ปลอมเป็นผู้หญิงปลอมเป็นผู้หญิงพอพระองค์นี้เดินออกมาผู้หญิงนี้ก็ทําเหมือนกับสะบัดผ้าสะบัดอะไรติดตามมาพระเพื่อนก็เห็นเอ้ยพระองค์นี้ไม่บริสุทธิ์เลยทีนี้ก็มองก็ไม่ชอบแล้วเพื่อนที่รักกันมามากเนี่ยนะร้อยสิปีด้วยกันเนี่ยนะเห็นแล้วแตกกันเลยอะองค์นี้ศีลไม่ดีแล้วนึกคิดในใจเลยนะแล้วสอ ง, ององค์นี้ก็บอกว่าผมผิดอะไรบอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกว่างั้น ทำผิดกันขนาดนี้อย่างหน้าด้านคล้ายๆตบนบนี้ก็ยังแบบนี่ตอนหลังสององนี้ไม่ไม่คุยกันไม่อะไรการเทวดาเนี่ยรู้ตัวว่าผิดไปทําให้เขาแตกกันขนาดนั้นก็ไปขอโทษนะก็ให้สององนี่คืนดีกันแต่สององนี้ก็คืนดีกันไม่ได้เพราะว่าใจที่มันเพราะมันรุนแรงอ่ะนะที่นึกหวัง ม, มาด้วยการพักเดียวไปเป็นปราชิกไปแล้วงี่นึกกันนะมันเสียใจอย่างรุนแรงอ่ะนะเพื่อนอ่ะนะเสร็จแล้วก็บอกว่าชาติ พอมาในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยรุกเทวดานั้นก็ได้มาเป็นภิกษุก็บวชพอบวชมาพระมีผู้หญิงเหมือนกับทาบผู้หญิงติดตามตลอดเลยเวลาบินธบากก็จะมีผู้หญิงเดินตามหลังคนเนี่ยจะมองเห็นแบบนั้นเลยเนะเสร็จแล้วชาวบ้านนี่ก็ใส่บาตรนะพระใส่อาหารด้วยเออนี่ส่วนของท่านนะอันนี้ส่วนกับคนนี่มาด้วยกับท่านเขาก็แกล้งเขาก็เขาก็พูดแบบนั้นนะ จนเรื่องมันวุ่นวายจนพระราชาต้องไปสืบอ่ะนะเขาเรื่องก็ไปถึงพร ะ, ระเจ้รปเสนที่โกศลพร ะ, ระเจ้าปเสนที่โกศลนี่ก็เข้าไปค้นในกุฏิเอ๊ะตอนนั้นก็เห็นผู้หญิงตามไปด้วยนะสั่งล้อมเลยแล้วขึ้นไปดูในกุฏิเอ๊ะไม่เห็นมีเลยตอนหลังก็รู้ว่าเออด้วยวิบากของกรรมแน่นอนนะดวยวิบากของกรรมก็เลยรับเป็นอุปถากรเองทีนี้ตอนหลังท่านก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ จะต้องไปฉันในที่ไกลนะมีผู้นิมนต์ทางใจนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเนี่ยโดยอธิษฐานทางใจมันอยู่คนละเมืองเลย ไ, ม, ไม่มีโทรศัพท์เหมือนทำไมนี้ก็เลยพระองค์ก็เลยรับกิจนิมนต์ก็เลยมีพระองค์นีเนี่ยรับฉลากเป็นคนแรกก็เลยได้เป็นเอตทะคะนะที่จะไปฉันในที่ไกลนั้นกรรมที่ทําไว้นี่ไปดูถูกมันนะมันให้ผลมาเนี่ยน้ําตาร่วงกันนะ ออตกสิเพราะว่าไปทำไปทําให้ผู้มีศีลแตกแสีกันเนี่ยมีโทษขนาดไห น, นก็คนมีศีลงินน้องๆสังกระเพานั่นแหละนะสอเสียดคนมีศีลเน่ยนะยกตัวอย่างเหมือนพระพระสองรูปเนี่ยนะอยู่ในวัดเดียวกันเป็นพระที่สมัครสมานกลมเกลียวกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องเลยรักกันมากเลยนะมีพระธรรมกถึกองค์หนึ่งมาจากที่ไกลามาเห็นอ้ชาวบ้านแถวนี้มีศรัทธามากนี่ถ้าเราอยู่ที่นี่นะคงได้ดีแน่นอนอะ ก็เลยวางแผนแทำยังไงนะเราจะสามารถเป็นใหญ่ในที่นี้ได้ก็เลยเข้าไปนะก็ออกหัวคิดว่าเออถ้าเราส่อเสียดสององนี้ให้แตกกันดูนะก็ไปกล่าวกับองค์องค์เป็นใหญ่ว่าผมมาถึงเนี่ยองค์นั้นเขากล่าวสักอย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งกับผมไหมอย่างนี้ก็บอกอย่ามาพูดเลยบอกว่าผมกับองค์นี้เนี่ยเป็นมิตรกันอย่างมากแกก็อาศัยไป กุดโน้นทีไปกุดนี้ทีตอนหลังพระสององค์เนี่ยแตกกันเลยไปคนละทิศคนละทางนะไปกันคนละทิศคนละทางแล้วพระองค์นี้ก็เป็นได้เป็นเจ้าวาดก็ได้เป็นเจ้าวาดเป็นเป็นแต่ชาวบ้านนี่เขารู้ว่าสององค์นี่ไม่น่ามีปัญหากันหรอกเพราะว่าพระองค์นี้มาองค์เดียวเท่านั้นแหละเรื่องราวก็เสียหายมากเหมือนกันแต่ก็ชาวบ้านก็เออ แ, แต่พระท่านเถอะทีนี้ตอนหลังสององค์เนี่ยโคจรไปเจอกันใหม่แล้วก็ปรับสารทุกสุขเดบกัน แล้วก็สมัครสมานสา ม, มาคัคคีกันใหม่แล้วก็มาไล่องค์นี้วางนั้น่ะคนถอยมางนั้นคนไม่ดีทารูปนี้ตอนหลังก็เดือดร้อนใจที่ไปทําให้ผู้มีศีลเนี่ยแตกกันตายแล้วก็ไปเป็นเปรตเปรตหัวเนี่ยเป็นหมูเลยเนียในในผู้าศาสนาพระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยตัวเนี่ยเป็นทองหมดเลยข้างล่างแต่ว่าหัวเนี่ยเป็นหมูแล้วก็นนเนี่ยชรชัยตลอดเนี่ยด้วยกรรมที่ไปส่อเสียด ก, กับผู้ผู้มีศีลนั่นแหละ ผู้มีศีลส่วนหนึ่งก็เหมือนกับดาบดาบสองคมเลยนะคนยุคนี้ถ้าพระารหันเยอะๆนะน่าจะไ ม, ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ่าสงสัยทําบาปได้ปคงบริสุทธิ์เลยนะบาปลุ้วนเทียบว่าบุญเจือค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าพระารหันบางองค์ก็ไม่ได้ว่าท่านจะคือพผ้ารหันในความคิดของเรากับพผ้ารหัน์ในความจริงบางทีก็อาจจะคนละอย่างกันเพราะว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจมากมายน ะ, ะเมื่อเราเข้าใจในเรื่องอริยสัจอ่อน นะเราก็จะว่าผ้อาอรหันต้องเป็นอย่างนี้สิผ้าอรหันต้องเป็นอย่างนั้นสิเราก็จะไปจัดแจงท่านเห็นไหมเราก็ไปจัดแจงท่านอันนี้ก็ลําบากละส่วนใหญ่ก็รักษาใจไม่ได้และอย่างหนึ่งถ้าเป็นผ้าอรหันท่านไม่ได้ติดที่อะไรนะ่านอยากไปก็ไปท่านอยากมาก็ามาของท่านเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องกรรมให้ละเอียดละเอียดนะแล้วก็หมั่นเอามาตรึกบ่อยๆนะถ้าตรึกบ่อยๆแล้วเรื่องกรรมจะชัดขึ้นถ้าเรื่องกรรมชัดขึ้นนะวิปัสสนาก็จะ ไม่ใช่เรื่องหนักจนเกินไปนะักเพราะอะไรเพราะว่ามันคิดจะหาทางออกนะแต่ถ้าไม่คิดจะหาทางออกนะโอ้ยลึกซึ้งแพ้ยากแพ้อยู่นั่นแหละ ร, ะระละู้สึกว่าท่านเป็นจุปทัทมาไหลก่อนสัตธินสัตทินีนเป็นต้นเนี่ยนะศรัทธานี้เ ก, กิดร่วมกระจิตได้กี่ดวงนะศรัทธาเกิดร่วมกระจิตกี่ดวงนะศรัทธาเกิดร่วมกับมหากุศ้นะ มหาวิบากเนี่ยนะพวกกิจชาติวิบากเอาไว้ก่อนเถอะเพราะฉะนั้นศรัทธาเกิดร่วมกับมหากุศลแล้วก็ชานกุศลแล้วก็โลกุตระกุศลเพราะฉะนั้นศรัทธาในเบื้องต้นก่อนในอย่างอย่างตอนนี้นะไทยเจริญพุทธานุสติมากหนะน่อยนะที่วันนี้เจริญพุทธานุสติเนะผู้การเจริญเนาะนนนะเอาวันนี้นน <laughs> ถ้า การเจริญพุทธานุสติเป็นต้นนั่นเองเป็นอาหารของสัตทินสีเป็นอาหารของศรัทธาเพราะว่าศรัทธาก็คือศรัทธาในความเป็นอรหันศรัทธาในความเป็นสัมมาสัมพุทโศศรัทธาในความที่พระองค์เป็นวิชาจรณะสัมปันโนศรัทธาในสุขโตศรัทธาในความเป็นโลกวิธูศรัทธาในความเป็นอนุตตรโปุริสธรรมสารถิศรัทธาเทวมนุษย์นังศรัทธาในความเป็นพุทโธ ศรัทธาในความเป็นพักวาของพระผู้มีพระภาคหรือศรัทธาในความที่พระองค์เป็นพระตถาคตวันนี้ผมมาเจริญศรัทธาเยอะเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณพอดีเลยเนี่ยนะงั้นก็นเลยได้ <c oughs> อยู่ตั้งกับห้าหกชั่วโมงเลยวันนี้ตึกเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่อง ก็ก็อ่านเทนกะาเอามาอ่านซ้ำนะฮะเคยอ่านไปเที่ยวแล้วแล้วมาอ่านอย่างละเอียดโอ้มีเรื่องที่จะตึกเยอะนะครับเพราะว่าอินทรีย์ท่านบอกว่าอาศัยอินทรีย์กำจัดอินทรีย์นะไออินทรีย์ ตัวแรกคืออาศัยอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์นี่คืออินทรีย์ห้านะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับอาศัยตัวนี้เนี่ยครับไปกําจัดอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายท่านบอกว่าอินทรีย์ห้านี้นะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะครับอินทรีย์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะครับท่านบอกว่า มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรักษาก็จะเป็นโทษถ้าเรารู้จักรักษารู้จักสังวรนะครับก็จะเป็นประโยชน์ท่านว่างั้นนะครจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ท่านว่างั้นนะเดีวนี้การสังวรเนี่ยนะฮะสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือท่านบอกว่าอินทรีย์สังวรนั้นเนี่ยนะฮะ จะสำเร็จด้วยสติใช่ไหมนะจะสติใช่ไหมนะตอนนี้คําว่าสติเนี่ยจะต้องตามมาด้วยสัมปชัญญะเสมอถูกไหมจะสติเฉยเฉยไม่มีต้องตามมาด้วยสัมปชัญญนะนี่แสดงว่าท่านท่านกล่าวไว้มีส่วนเหลืออย่างนั้นหรือเปล่าครับว่าอินทรีสังวรเนี่ยถ้ามีสติทั้งนั้นต้องมีประชัญสัมปชัญญะเมื่อสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่นะเราก็จะเห็นชัดเลยว่า มันอาศัยปัญญาต้องอาศัยปัญญามากเลยจึงจะตึกจึงจะสังวรสําเร็จเนี่ยนะอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อเมื่อสัมัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะสามัญญาสีนะครับก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับโยนิโสมนัสิการนะหรืออัตตาสัมมาปณิทีนี่นะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตรงกับลักษณะของสติที่ท่านได้นามากล่าวไว้ ในบิลินท์ปัญหานะครับว่าสติมีลักษณะอย่างไรนะสติก็คือความไม่เลอะเลือนทันว่าอย่างนั้นนะ ใ, ในกุศลธรรมหรือไม่เป็นในกุศลธรรมหรือกุศลธรรมหมายความตัวสติเ็าจะเป็นตัววิจัยครั้งแรกเลยนะหรือว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นี่นะแล้วก็ให้ปัญญาเข้าขาไปเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออารมณ์ปรากฏ ท, ทางทางทวารต่างๆนี่นะครับ ทางจากักรทวารทางโสตทาวารล้ก็ดีนี่นะฮะตัวสติจะเข้าเข้าไปจัดการกับมันก่อนแล้วควรดูไม่ดูควรเห็นไหมควรได้ยินไหมถ้าไม่ควรก็หลบหลบไปเสียนะถ้าเกิดต้องเผชิญกับมันหลบไม่ได้ตัวสติเขาก็จะต้องบอกอีกว่าเอจะต้องเข้าไปยังไงเรื่องนี้ก็สามัญชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าธรรมานี่นะครับมันเป็นสังขารธรรมอย่างยิ่งทีเดียวนะ มันอาศัยอะไรต่อะไรปรุงแต่งมากมายจริงๆถ้าเรารู้ธรรมะอย่างนิดเดียวนะไม่สำเร็จไม่มีความสำเร็จครับ<น>โดยเฉพาะเรื่องอินทรังวรนะปัญญานี่สำคัญมากเลยในในโพชงเจ็ดนะท่านบอกในฐานะเจ็ดน ะ, ะสติเนี่ยสำเร็จในฐานะเจ็ดใช่ไหมแล้วก็จำปรารถนาในที่ทั้งปวงคำว่าในฐานะเจ็ดก็คือในขณะที่ จะไปจะมาแลเหลียวนั่นเองนั่นเองฐานะเจ็ดไม้ถึงไปมาแลเหลียวเป็นต้นนั่นเองอ่าสัมปชัญญะเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จเจริญสตินั้นจะต้องข้อมูลมากจริงๆนะใครเป็นเอกทักษะด้านมีตติพระนนอนผ่านอนเนี่ยจํามากที่สุดเลยในบรรดา น, นักจำเนี่ยนะนักฟังทั้งหมดพรงผ่านนอนเลยมีสติมากกับเพื่อนเพราะท่านเนี่ยฟังมากจํามา ก, มากรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้ความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยนะผ่านนอนเนี่ย เก่งที่สุดว่าในบรรดาผู้มีสติผู้ที่ศึกษาเถรคถาเทรีคถาเนี่ยนะจะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือศึกษาเรื่องสังฆ ค, คุณนะศึกษาเรื่องสังฆคุณนะเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเข้าปฏิบัติกันอย่างไรเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามพระสัทธรรมคําสอนเข้าปฏิบัติตามอย่างไรทําให้เราเห็นสังฆ ค, คุณอย่างหนึ่งแล้วในบรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะ ถ้าดูในเทระคถาเทรีคถาเป็นต้นแต่ละคนนั้นมีความทราบซึ่งในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆนแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่นชมที่ตัวเองได้มีโอกาสนับถือพระพุทธศาสนาหรือว่าการมาพบเห็นพระพุทธเจ้าของท่านไม่สูญเปล่าจริงๆริว่างั้นเถอะท่านจะมีความมั่นอกมั่นใจมีความเด่มด่ในการถึงธรรมของพระบรมศาสดาเพราะว่าการศึกษา เทระคถาก็ทำให้เห็นธรรมคุณที่ท่านปฏิบัติว่าท่านปฏิบัติธรรมะอะไรท่านจึงได้เป็นพระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเราก็จะศึกษาเรื่องธรรมคุณกับสังฆคุณไปด้วยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอารมณ์ของธรร ม, มานุสติได้นะพระธรรมเหล่านั้นที่ท่านปฏิบัติก็เป็นธรร ม, มานุสติความปฏิบัติของท่านที่ท่านประสบความสาเร็จในคาสอนก็เป็นสังขานุสติเช่นว่าแล้วก็ สิ่งเหล่านั้นก็ได้เราได้ตัวอย่างที่ดีด้วยใช่ไหมนะเราเราเอาท่านเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําทางในการศึกษาและการเจริญกุศลธรรมเวลาหมดแล้วนะครับก็วันนี้ขอฝากให้ท่านนําไปไปตึกดูสักเรื่องหนึ่งนะที่ในเทระคาถา t h i กล่าวไว้ว่านะกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าอินทรียสังวรของท่านไม่สมบูรณ์นะก็หมายความว่า ศีลเบื้องต้นของท่านศีลทั้งหลายนะศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีนะครับศีลสิบก็ดีเนี่ยก็จะไม่มีวันสมบูรณ์เนี่ยท่านลองไปตึกเิ้ะทําไมจึงเป็นเหตุผลอย่างนี้อิน่าสนใจมากเป็นจริงอย่างท่านกล่าวไว้ไหมท่านบอกศีลท่านจะรักษาไม่มีทางบริสุทธิ์หรอกถ้าท่านยังไม่รู้เรื่องอินสียสังวรเออลองไปตึกดูเหตุผลอันนี้น่าตึกมากนะก็เวลาหมดพอดีท่านจะทำตัวอะไรไหมครับถ้าใจเป็นบาปนี่เป็นกุศลหรืออกุศล อกุศลขณะที่ไม่มีอินซียสังวรก็เป็นโลภาโทสะแล้วศีลมีข้อไหนเหลือบ้างกันนะนั้นใช่ไหมศีลมีโทสะไหมมีโลพาไหมไม่มีโมหะด้วยเนาะนั่นแหละพราอในขณะที่ใจเป็นปลายกาอากุศลเนี่ยกุศ ล, ละศีนเนี่ยหนีหายหมดเลยผมจะให้เขาตึกครับ <laughs> ให้ในไปก่อนอ่ะอ่ะมีลึกเข้าไปยังงี้นั่นนะตัไปตึกดูนะดิฉันให้แนวไปแล้วนะว่าเออถ้าขนาดนั้นน่ะไม่ ถ้าสังวรเป็นเนี่ยนะจิตเป็นกุศล อ, อยู่แล้วใช่ไหมเออนะตอนนี้ถ้าสมมติสังวรไม่เป็นมันจะเป็นยังไงนะสวดมนต์ครับนั่ง